เป็นคนสอนบุตรธิดาก่อนใครอื่นท่านจึงจว่าพ่อแม่เป็นบุพพาจารย์พอเราตื่นขึ้นมาเราลืมตาขึ้นมาก็เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนใครอื่นท่านจึงจเปรียบเทียบ ว, ว่าพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกตื่นขึ้นมาก็มองลืมตาขึ้นม Bar, าก็เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนนว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตร ทิดาควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อทิศเบื้องหน้าเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจระของท่านดํารงบ่งสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรทิดาที่จะปฏิบัติ ต, ต่อทิศเบื้องหน้าปฏิบัติ ต, ต่อบุพก า, ารย์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 ในใจของเราถามเลสิเราเลี้ยงมาเพื่ออะไรเราก็มีความหวังเหมือนกันเออท่านเราเท่าแก่ชรลาเราช่วยตนเองไม่ไดออ้ลูกของเราก็คงจะได้ช่วยเราเมื่อข่าวจำเป็นเมื่อเขาขับขันหรือเมื่อเราเท่าแก่ชรลาเนี่ยเราก็ได้คิดทุกคนน่ะที่เลี้ยงลูกเพราะนั้นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาก็เพื่อให้พวกเราช่วยเหลือเมื่อค่าวจำเป็น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 ดูซิต่างประเทศของเขาทุกวันนี้อาหารจะไม่พอกินเขากินอาหารเป็นเวลามเวลาอีกต่างหากพอหมดเวลาเขาก็ปิดร้านอาหารแต่เมืองไทยของเรานี่ยอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์เหลือเฟือฟุอ่งเฟื่ฟอยถ้าจะเปรียบเทียบต่างประเทศถามเลยสิว่าไปต่างประเทศน่าอยู่ไหมพอกลับมาแล้วก็สวยงามจริงอยู่มีกฎระเบียบจริงอยู่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 นับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยปฏิรูปรเทสวาสโซจักระอยู่ในประเทศที่ออธรรมชาติไม่ได้ฆ่าเราเท่าไหรออ่ฝนก็ไม่ได้ตกถล่มเท่าไหร่เหมือนไม่เหมือนฟิลิปปินอย่างเมื่อกี้เห็นไหมออคนตายเป็นหมื่นจะไปหลบปลีกไปลี้อยู่ที่ไหนกันลี้เถ อ, อพอมันฝนมาถล่มอย่างแรง ถ้าไปอยู่ใกล้ใต้สพนะพานน้าก็ท่วมนะอไปอยู่ข้างบนลมก็พัดอน้ําก็หลากนะผลที่สุดไม่อยู่ที่ไหนคนใครๆก็หาที่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละในยามคับขันเช่นนั้นแต่มันหาไม่เจอมันหาไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนกันนะี่ยผลที่สุดก็น้ําท่วมทั้งลมทั้งฝนทั้งอะไรตัวมีอะไรคนตายเป็นหมื่นนะเมืนะ่อนกะี้เนี่ย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 อย่าประมาทให้ตั้งตนไว้ชอบให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้แต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้สังสมบุญกุศลเอาไว้พลัดจากชาตินี้ลงไปพวกเราอาจจะไปเกิดเป็นไปเกิดที่อื่นได้เพราะว่าเราของแชมไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นละ่ะเนี่ยาว่าเราของแชมได้แต่เาขาเราก็ประกอบคุณงามความดี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 ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉนันช้างมาวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นเพราะหะไรเพราะว่าใจของเราวิญญาณของเราเนี่ยตัวรู้รู้เนี่ยมันจะไปเกิดในสถานที่ต่างๆได้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะศั ท, ทา ย, ยาิโยมทุกท่านนะเกิดมาในพื้นแผ่นทนดินไทยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทได้อยู่ในชาติไทยแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุข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 เขามาหาหลวงพ่อแต่เขาเอาลงไม่หมดนะมันเพราะมันหลวงพ่อพูดยาวไปสักหน่อยอตรงพ่อบอกว่าการที่จะเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยพวกเรานักธุรกิจทั้งหลายควรไปฏิบัติตนอย่างไรนี่คือเขามาถามหลวงพ่อพอเดี๋ยวนี้เพราะว่าต่างคนก็ต่างคล้ายๆก็แข่งแย่งกันนะ่ะพูดง่ายๆ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 พาสุขถ้าอยู่ด้วยกันจึงจะเข้าประชาคมไหนกับประชาคมประชาคมยุโรปประชาคมอาเซียนประชาคมประเทศไหนก็เถอะถ้ามีสี่ห้าคุ้มครองแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นน่ะถ้าท่าว่าขาดศีลธรรมแล้วมีเตเล่หต่เลี่ยมแต่ชั้นแต่เชิงหักเล่หักเกลี่ยมกันคดโกงกันอย่างนี้นะ่ะจะหาความสงบสุขได้ยากเพราะอะไเพราะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน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 แต่เราคนนึกมีแต่นึกเดาถามคนหนึ่งขัวคนหนึ่งไหวหนึ่งถามคนหนึ่งคนหนึ่งกับ่าวอย่างหนึ่งพ่อธ น, นาจิ ต, ต่ังนานาทัศนะแต่ถึงยังไงพวกเราไม่รู้มีแต่ตั้งจิตอธิษฐานอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานขอให้เทพเจ้าเราเทวาทั้งหลายสิงจะติดอยู่นะชั้นใด16สชั้นฟ้า15้าชั้นดินอย่างที่โบราณเคยว่า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 รับพรนะที่นี่นะรับพรวันพ่อนะวันนี้นะ